เรื่องพระมหาโมคลานาเทระไปเทวโลกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันส่งปรารบปัญหาของพระมหาโมคลานาเทระไปเทวโลกความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระเทระจาริกไปเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากถามเทพธิดาทั้งหลายว่าสมบัติทิพย์มากมายเนี่ย ท่านทำกรรมอะไรจงบอกเถิดเทพธิดาทั้งหลายต่างพูดว่าท่านผู้เจริญดิฉันฐานก็ไม่ได้ถวายบูชาก็ไม่ได้ทำพระธรรมก็ไม่ได้ฟังเพียงแต่รักษาคำสัตย์อย่างเดียวชื่อว่าบุญกรรมดิฉันไม่ได้ทำดิฉันเป็นทาสีเป็นคนรับใช้นายดิฉันดุร้ายหยาบคายเลอเกินชอบทุบตี ดิชันไม่โกรธเลยดิชันจึงได้สมบัตินี้เทพธิดาอีกนางหนึ่งกล่าวอีกนางกล่าวว่าดิชันถวายอ้อยหนึ่งลำเทพธิดาแต่ละองค์กล่าวถึงเรื่องของตนว่าได้สมบัตินี้เพราะถวายมะพร้าวผลหนึ่งฟักทองผลหนึ่งลิ้นจี่ผลหนึ่งเงามันกำมือหนึ่งสะดาวกำมือหนึ่งดังนี้เป็นต้นพระเทระฟังความที่เทพธิดาแต่ละนางกล่าว จึงลงจากเทวโลกเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้คือกล่าวคำสัตย์เพียงดับความโกรธเพียงถวายทานผลไม้ผลหนึ่งอันเล็กน้อยละเกินแล้วได้ทิพยยาสมบัติบนเทวโลกทูลถามว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่พระศาสดาทรงตรัสว่าบุคคลแม้เพียงกล่าวคาสัตย์ก็ดีแม้เพียงละความโกรธก็ดี แม้เพียงถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปเทวโลกได้แท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธ ถ, ถึงถูกเขาขอมีน้อยก็พึงให้บุคคลพึงไปในสำนักของเทพพญดาทั้งหลายด้วยฐานะสามนั่นอธิบายคำว่าด้วยฐานะสามนั่น ความว่าตั้งมั่นอยู่ในคำสัตว์หนึ่งไม่โกรธตอบผู้อื่นหนึ่งและพึงให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยหนึ่งบรรดาเหตุเหล่านั้นด้วยเหตุแม้อย่างอื่นย่อมไปสู่เทวโลกได้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหล